แลเยวปฏิบัติตามทำถ้าเราปฏิบัติตามทมก็เห็นความเพลดความริงที่มันเกิดจากกาจากใจเราเดีวกรรมวิธีสิ่งเวดลองเราก็พยายามที่จะทำตามพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสตาพระองค์ทำอย่างไรสอนอย่างไรเราก็ทำตามเข้าให้ถึงคำสอนล้วก็การกระทำให้เกิดขึ้นต่อกายต่อใจเราจริงๆโน่นคนง่ายโน่นหลือดว่างเธอจงไปอยู่คนฟังง่าย นั่งลงตั้งกายให้ตรงม่สติเห็นกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายมีสติเห็นความคิดที่เกิดขึ้นจากเกิดมันอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็พยายามสร้างชีวิตลอ้อมอยู่ในปิวิเวกพอสมควร ก็จะได้เป็นชีวิตส่วนตัวแล้วก็เอากายเป็นตาําราเอาใจเป็นตาํารานี่แหละมีสติลงไปความวิชากรรมาฐานเยอะแยะเกิดจากกายเอามาใช้ให้มีความรู้จึกตัวเกิดจากใจที่มันคิดเอามาใช้ให้เกิดความรู้จึกตัวได้ อย่าให้กายพาเป็นหลงอย่าให้จิตใจพ่าให้หลงจึงที่เกิดภายนอกภายในก็จะทําทให้หลงให้มีความรู้สึกตัวควารู้จึกตัวสามารถรู้สึกตัวได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานการณ์ได้ฝึกด้หัดได้เป็นคู่ซกกู้ซ่องสิ่งที่มันผิด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 ตาหูจมูกเล่นกาัาใจที่มันคิดออกไปแล้วหลกไปมีสิ่งทําให้เห็นมีสิ่งทําให้ได้ยินก็ อ, อย่าหลงกลับมาได้มารู้สึกตัวนี่เวลาใดที่มันหลงให้กลับมารู้สึกตัวทุกครั้งทุกคราวทุกโอกาสไม่ใช่มา รู้สึกตัวต่อเวลาที่อยู่ในกรรมฐานนอกกรรมฐานนอกรูปแบบไม่มีความรู้สึกตัวจนความคิดนี่มันไม่มีอริบตไดมันคิดได้โอกาอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำไ้ก็คิดได้งั้นเหรเราก็ต้องหัดให้รู้สึกตัวซะ จะให้อิสระมันมันจะใช่ความคิดมันจะใช่ความไม่จะใช่จิตคิดทุกเรื่องทุกราวออย่าให้มันเป็นเช่นนั้นนักกรรมฐานต้องสอนมันเวดานี้อยู่เป็นที่เป็นทางอยู่ตรงนี้มีสติดูอยู่ก็เรามีสติเป็นเจ้าเรือนโลหัตไปแล้ว เราหัดไปแล้วเรามีแล้วถ้ามีก็ได้ใช่แล้วมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำมีสติดูกายเมื่อมีสติดูกายเห็นความคิดจะเกิดจากจิตตรงนี้นะถ้ า, ด, าดูดีอภัยดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ ป้ายที่ลานทำที่อาจารย์โกคชินทำไว้นันมีสติดูกายเห็นความคิดนั่นเกิดเชื่อขาดตรงนี้เราเคยเคยรู้สึกอย่างนี้มันหลอกทุกข้างทุกข่าวคิดไอลก็เป็นแต่ตามมันเมื่อถูกหลอกลายข้างลอยหนตัวรู้สักตัวนี้ถือว่าถูกหลอก พี่ไม่ได้ตั้งใจเลยมันคิดกันมาน่ยได้ประกาศอิจลภาพขึ้นมาภายในหัวใจลึกๆในตรงนี้เหมือนกันต่อไปนี่อันความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดหยุดกันเฉย ท, ทีแล้วเหมือนฝ่ามือกับหลังมือแต่ก่อนฝ่ามือ เป็นฝ่ามือจับอะไรก็ปา่ยกันเลยเป็นไปเลยบัตหนี้หันหลังมื อ, ม, อมันก็แยกคนละทางกรรมมันก็กรรมคนละทางปฏิบัติในขัดหน้าไปคนละทางเลยไม่ร่วมกันต่างสิ่งต่างเข้าที่เข้าทางรูปก็เข้าที่เป็นรูปสู่ธรรมชาติเวทนาสู่ธรรมชาติสัญญาสู่ธรรมชาติ สังขารสู่ธรรมชาติวิญญาณเป็นธรรมชาติรุนรวดไม่มีอุปทานเลยมันก็เ e กิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี oh am, oh ้ได yeah, okay. ้เหมือนกันเพราะมาเห็นความคิดัวคิดถูกหลกบอให้เกิดจิตตัลหานะไปเกิดความโกรธความโลภความหลงความลัความจองดึงเราไปมาถูกหลอกมากก็มีสติรู้ทันมันจะเอะกัน ไม่ใช่ว่ารูอะไรนะไม่ใช่รูธรรมะไป็นรูสีรูแสงรูเห็นอันอ น, อ น, นั้นนนี่ไม่ใช่เลยเห็นวความเท็จคมจริงที่เกิดจากกายจกากใจเรานี่เป็นขันธ์หน้าที่มันเป็นรูปธรรมชาติเวทนาธรรมดานะขันธ์ลุ่นล้ว น, นเป็นขันธ์อาาันใสเวทิตั้งให้เกิดแทงขวมรู้จักตัว ใช่ให้เกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นไม่ใช่ใช่เกิดตันอื่นแล้วก็ใช่ด้วยมันมีให้เราใช้ จ, จริงๆงขันห่านี่มหาปุตตะรูปนี่เป็นรูปวิสัยให้ทำความดีให้เราความชั่วแต่เราใช้อย่างเไรใช่รูปใช่นามเนี่เวทนาให้เป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์นะโลกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วยังเอาเมาเป็นทุกข์เป็นสุขบอกมันเห็นความเท็จควมจริงลือ้อถอนอนี้นะปฏิบัติธรรมวัชยินันเดือนนะทุกคนต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนเห็นความคิดหลอกนองอยู่นี่เมัอคิดไปไหนบอกให้เบื่อใา้ขยันให้ความขยันพทาพทำความเพียนพห้ให้ความเกียจข้านพยุด วอนที่เกิดคำว่าถอนจบับกระเป๋ากับบ้านก็มีจับมากับวัดก็มีได้แต่ามราจะคิดอะไรให้ความคิดพาไปพาอยู่หรืไม่ได้เห็นความคิดความจริงที่เคยจกความคิดต่อมๆมัน ท, ทั้งหมดทุกอย่าง ตายก็ตายตามความคิดเจ็บก็เจ็บตามความคิดสุขก็สุขตามความคิดทุกข์ก็ทุกข์ตามควา ม, กกามคามิดมันอะไรกันชีวิตของเราเน่ยน่าจะประกาศอิสรภาพได้แล้วในสติดูงวันไนวมรู้สึกตัวมันทำให้ยิ่งใหญ่นะเอยเปียบเทียบเหมือนช่างเหมือนนุกินซี เล็ดธรรมก็เหมือนหมาตัวนังไม่ใช่ใหญ่อะไรช้างเหมือนตัวใหญ่กว่าแร้งก็เหมืนมีประโยชน์เลยนกไอีต้องใหญ่กว่ามาแล้งถ้าเรามีสตินึ่ยโอ้อุ่นใจนะไม่มีอะไรที่จะพ่ายแพ้ถ้ามีสติจริงๆสติปัฏฐานจริงจริง สติปัฏฐานจะเป็นทวารของสติปัฏฐานต อ, อบในใจว่าสักแต่วะสัแต่ว่ า, ส, วาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็สัคต่ว่าหลายอย่างทุกเรื่องทุกอย่างร่างกายช่างอะไรต่างๆไม่ต่างกันเออฉันเจ็บกันอะไรต่างๆก็สักแต่ว่าเป็นทวารของสติเออจากใจก็สักแต่ว่า เป็นทวารของสติซาตตะว่าแล้วก็เย่งใหยาะไม่มีค่าสุก็ไม่มีค่าทุกก็ไม่มีค่าความคิดความอร่อยต่างๆไม่มีค่าสักตะว่าแล้วก็วางปกแตกลงสุก็ปกแตกลงหลนลงแล้วทุ ก, ก็ปกแตกลงหลนลงแล้วศักตะว่าเป็น ถ้าจะเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่กำลังพลที่ทาให้ข้าศึกพ่ายยับแย่ยับเยินเลยสักแต่ว่าเลยกิเลสพ่ายแพ้อคตศรธรรมพ่ายแพ้อคติรธรรมเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นสักแต่ว่ามาใช้คําพูดนะมันเป็นคำเป็นญยาดเป็น ฌานสัจธร่มมันเพ่งปล่อยหายวอดไปแล้ววิเชติย่างยิ่งเนี่ยคือชาญอย่างยิ่งมันวอดไปอะไรเกิดขึ้นมาก็เหลือเด๋อไม่มีซากหมดไปเลยไม่มีซากเป็นศพถ้าไม่สักแต่ ว, ว่ามีซากศพเติมตัวไปเน่าเหม็นเป็นภกเป็นชาติลาโมลณะโศกะไปเทวาทุกตายเกิดดับเกิดดับ นี่พยายามโดยดีๆอาจจะอาจจะเกิดการบรรลุธรรมบรรลุธรรมคือมันเปลี่ยนแปลงพุ่นภาวะเก่ามาช่วยหนีไปไหนพ้นจากสิ่งที่เกิดก็จะไปกับใจนี่สิ่งที่ไม่ดีเกิดเจ็บ ก, กายพ้นจากกายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดจากใจพ้นจากสิ่งไม่ดีที่เกิดจากจิตใจคือบรรลุธรรม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 ผู้เจ้าสองคนี่พากันทําอยู่นี่อยู่ด้วยกันอยู่นี่อยู่คนไมยกลางเต้นอยู่กติก็เหมือนก็อยู่คนใหม่อยู่ไหนก็มีคนไม่ก็เรามาอยู่กับสวมรูปสักตัวไม่มีอะไรพงแต่งไม่ได้ติดกติไม่ได้ติดอะไรที่สะดวกสว่างเพื่อใช้บำเ พ, พ็ญภาวนา ใช้สติเพื่อภาวนาใช้เจริญสติใช้ผ้าชีวอนเพื่อภาวนาใช้ชีวิตกินข้าวกินน้าเพื่อภาวนาใช้หยกใช้ยารักษาโรคภยัยค่ะเพื่อที่จะภาวนาเพื่อทําความดีก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมสร้างสิงส่งวดล้อมใหกับชีวิตของเราเองถ้าชิางแวดล้อมดีก็งอกงามมาสตินะ ถ้าจริงว่าล้มมาดีก็ไม่โคกงงามหลุดไปเลยขอนไปเลยอย่านันต้นกล้าที่ปลูกลงในดินเนี่ยถอนขึ้นเลยลอยน้ำน้ำดูดขึ้นมาเลยลมพัดล้มไปถูกเลยทับถมไม่งอกไม่งามหวานก็ไปตัดกิยงมามันหักโค่นลงมาทับต้นไม้ ไม่ได้เดินไปทางนั้นไม่ได้ไปทางนั้นก็มีรถกรบไปทั่ ว, วเลยทวนเห็นอะไรที่ไม่ดีได้ช่วยได้ช่วยต้นไม้ที่มันถูกล้มทับจนมนแต่กิ่งขึ้นมาใหม่มันอยู่ไหมันจะเดิงไปล้มไปหนึ่งนั่นไม่ได้มันตรงนัดกิ่งขึ้นมาตรงๆสอดแทรกไปแต่ไปช่วยต้นไม้ก็มีความสุขทีวิตขเราเอะไรมันทับ ความเท็จความจริงอะ่ะความจริงอะไรมันทับถมไปเรามาช่วยตัวเองไปช่วยใครที่ไหนทาบุญทำแบบไหนคนดีจัดสนะเจริญเตจนที่ตรงไหนถ้าคนไปช่วยตัวเองต้าบ่หลงก็ช่วยให้รู้ทําบ่ทุกข์ก็ช่วยให้รู้สักแต่ว่าเน่ยสตินี่สักตรว่านี่ ย, ยช่วยชีวิตให้มีชีวิตโกเกิดขึ้นมา สัจธว่าได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตที่ไม่แก่ไม่เจ่ไม่ตายเกิดสักธรรว่านะมาดูพระไตรปิฎกอยู่นั่นใหญ่ที่สุดในโลกแมนบอลเขากลับตั้งอยู่นั่นพระไตรปิฎกตั้งอยู่นั่นมีแต่สักธรรว่าท่านั้นนะชีวิตก็ได้จากตรงนี้ชีวิตที่ไม่แก่ไม่เจ็ไม่ตายเกิดสักธรรว่า ที่หมายคำมีสติห่วนทวารของสติสิ่งที่เกี่ยวกับกาก่ากับใจคำตอบเป็นคำตอบศักดิก์สิทธิ์คือศักตะบบาไม่ใช่โตไม่ใช่ตนอันนี้วางทีเห็นกลยงยากก็เป็นตัวเป็นตนต้องไม่ได้ ถ้าทำได้ก็เตัวเป็นตนเออดีทําได้ตัวตนเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่มีสเฉพาะ ว, ว่าก็ต้องเก่ต้องแก่ ต, แกต้องตายอะไรเพลก็เ อ, อ้เพลิดไม่ชอบตัวตนถ้ามันถูกก็เออดีต้าชกกเป็นตัวตนถ้ามันทุกก็เออดีตัวตนถ้ามันทุกก็เอยไม่ดีตัวตนตัวตนเคยแบบนี้ ดับตัวตนคืจักตบว่าสักตะ ว, ว, ว, ว่าคือดับตัวตนไม่มีพพไม่ชาติแต่กล้าดับไหมหรือว่ามันมีรสชาติโลกมันมีรสชาติดับยากนะเกิดจากกาจากใจที่เดสตัณหาก็ดับยากถด้ไปอดไปทนดันดับไม่ได้ทุกคนเอาโวดเนา ไม่ได้อดได้ทนต่างมีสติดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับป่าสักตรูป่าเพราะเรามันมีสติชัยได้เตรียมตัวไวแล้วรู้เฉนเขา้าเหยื่อแขนออกรู้สักตัวไวแล้วมันเกิดขึ้นมาศัตรูป่ามันบอบบางงา่ายๆแต่คนไปอดต่อเลยแม้ปีที่ตั้งไม่มีกรลัฐานมันมีใช่ยไม่มีจงหงรบโภมที่เป็น ภูมิที่ดีมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนคนจะตัดต้นไม้ถ้าไม่มีที่ยืนมันตัดไม่ขาดาตัดไม่ขาดแม่ขวัญจะคมมีดจะคมก็ตัดไม่ขาดถ้าไม่มีที่ยืนยืนไปมัน่นแรงก็ไม่มีเจ้ามีที่ยืนดีๆนะมีดก็คมขวัญก็คมยืน ด, ดีมัน่นแรงมาก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 ตัดไม่ขาดเกิดกิเลสตัณหาเป็นผู้เป็นผู้มีตัณหามีราคะตโทสะเป็นผู้มีกิเลสตัาาราคะตัสะไม่มีที่ยืนตัดไม่าด้ถามีที่ยืนแล้วก็เห็นเห็นกาเคลื่อนหวดูกาเคลื่อนหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยมมันไปแบบนีน้ดูก็เห็น ทราไม่ดูมัก็ไม่เห็นเป็นไปนเลยดูก็เคลื่อนไหวเมื่อดูก็ต้องเห็นใจมันคิดเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นม า, าเห็นเลยก็งานตัวพิกสัตว่าก็ยิ่งทะลุทะลวงเอาไปทำด้วยนะ้ถ้ะลุทะลวงขาดก็จุยไปเลยนะตอนที่ต้องเอามาให้มัน้มหน้ามันเลย เอาอีกหมล่ะต่อร้องอีกไหมเอาอีกสิมาิมันหน้าดีมันยังนั่นน่นะนี่เดี่ยวเดือย เ, เลยเหมือนแมวที่จับหนูได้มันกัดหัวมันหนูเสแล้วมันข้ามาให้ลูกมันมันยังไม่ตายมันยังวิ่งไปวิ่งไปแบบไม่มีไม่มีวิธีอะไรวิ่งบนหน้าบนหลังลูกแมวมันเห็นกระตะคุก ตะคุบตะคูบเล่นแต่ไม่รู้จะทำให้ตายได้แม่ก็ต้องมาช่วยคาบหนูหมาจะไม่ตายสนิทมาให้ลูกมันหัดเลาะเย้ยมันด้วยจีแต่ก่อนยังไม่ถูกทาลายมันก็ยังไหวเอามาให้ลูกเดินมาได้มันกัดจับหนูมันกัดหัวมันให้มันมันเสียหลักสะก่อนเรามาให้ลูกมัน เคยเคยอยู่กับแม่สมัยก่อนเวลาแม่แม่เลี้ยงม่อนตัวหม่แล้วก็กลางคืนแม่เห็ือนแมวจับหนูมามาให้ลูกมันก็เลยดูสิเลดบางอย่างก็จับมามาันเล่นๆนะเหมือนแมวฆ่าหนูได้แต่ไม่ตาย มันคิดตัวที่มันจุกคําทุมันทุกอยู่ดีทุกข์ตรงไหนให้มันทุกข์ตัวีมันไม่ไปมันจุกตัวทีมันก็ไม่เอามันมีสักตธว่ายิ่งใหญ่มันชํานาญทางนั้นเห็นกายสักตธว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาควมคิดจะสักว่ามความคิดทำก็สักว่าทาง ความเสื่อมความเจริญอะไรที่มาเกิดขึ้นมาสัากแต่ว่าหมดเลยหมดตัวเลยตัวตนหมดไปเลยภกชาติเมื่อไม่มีตัวตนภบชาติของหมดไปเลยได้ชีวิตที่ว่าขึ้นมาชีวิตนี่คือไม่เป็นอะไรอาศัยลูกอาศัยน้าเป็นที่ตั้งความรู้จักตัว เมื่อมีสักตธ ว, ว่าอะไรมาเกิดขึ้นไม่มีแล้วจิตตหาลาคะไม่มีที่เกิดหรือเกิดขึ้นเาก็ไม่เป็นละลายกับสิ่งเดียวนั้นนี่เรามีกรรมฐานแท้ๆไปกลัวอะไรมันเขื่มแข็งทุกโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็เขืม่มแข็งได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ฝึกตนสอนตนได้เตือนตนได้แก้ไขตัวเองได้มีสติสักตธ ว, ว่า เลี้ยงเก่าไปเลยวันคืนวันคืนเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาเชื่อมแข็งขึ้นมาโต ว, วันโตขึ้นขึ้นมาใกล้ความเท็ความจริงขึ้นมาเห็นความเทศเห็นความจริงขึ้นมากับชีวิตจริงจริงจริงใดที่มันเกิดขึ้นกับกายนู่หมดจริงไหนที่มันเกิ ด, ก, ก, ก, ด, ก, ดกับใจรู้หมดต้นตองมันอยู่ที่นี่มีสติก็ต้องเห็นทุกอย่าง ตรงกับความหลงความรู้ก็ตรงกับความหลงเมื่อมีความรู้ตรงกับความหลงออกไปได้เลยหมดเองของโลกก็หลงง่ายลำตัว ก, ก็ง่ายแตามีความรู้อะไรก็รู้เห็นทุกเห็นแต่พกเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นถ้าไม่มีกรรมฐานในแบบคิดเห็นตอบได้ในความคิดแต่ไม่หลงตัว สนุกนะปฏิป ธ, ธรรมนะแต่ตกหลังความสนุกยิ้มยิ้มนะ่ะหัวล้อตัวเองเนี่ยมันมีรสชาตินะหัวล้อของสุขหัวล้อของทุกข์เราหัวล้อแต่ความสุขดีใจหัวล้อไม่ใช่ใจดีใจดีแนตะ่หัวล้อไม่เป็ น, นยิ้มยิ้มหน่อยๆถ้าดีใจหัวล้ออ้าปากลืมตัวไปเลยเหนื่อยลา้า กาใจดีไม่ใช่ดีใจดีใจนี่ดีใจเพราะทำชั่วก็มีดาเขาก็ดีใจเลยข้าเขาก็ดีใจแต่ใจดีเนี่ยมันไม่ไม่ปล่อยตัวมันยิ้มยิ้มในหัวใจเึืงๆหัวราบความทุกข์ได้ถ้าใจดีถ้าดีใจหัวเราบความทุกข์ไมได้เป็นแต่โล่ไห้ อใจดีหัวล้อได้นะหัวล้อตัวนีน้มันสดชื่นแนตะ่หัวล้อขวงชั่วหัวล้อของทุกนะหัวล้อมันใช่เศร้าโศกเมื่อก่อนไม่มีสติหัวลอก็เยี่ยงแยะไม่ใช่รีบแบบสดชื่นมีรสชาติไม่มีรสชาติเห็นทุกข์ถึงมีรสชาติที่สุด ไม่ใช่เห็นสุขนะเห็นความทุกข์ในประเจศที่สุดเลยที่เกิดจากกายจากใจเราเนี่ยพระเจ้าจึงว่าเห็นสิ่งที่ปัจเจศคือเห็นทุกข์ทำไมจึงเห็นสิ่งประเริฐมันได้หลุดพน้นมันเห็นสิ่งนี้มันจึงมีการหลุดพ้นสำเร็จได้มีตาได้ใช้ให หลุดพ้นเมื่อเรามีตาเนื้อเห็นงูําให้หลุดพ้นจากงูใช่ตาสำเร็จได้มีประโยชน์ใช่ใช่ตาให่พอใจไม่พอใจใช่ไม่ผิดผิดไปแล้วาตาไหนเห็นทุกข์ึ่่มันหลุดพ้นมันจึงประเสริฐที่สุด ให้มันมาอันทุกข์ที่เกิดจากกาจักใจนี่เอามาเป็นเรื่องหลุดพ้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นโล่งให้เสียใจถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นมาพัดพาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมมันเห็นแลว้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ไม่สบายกายควมไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ ไม่ทุกข์ก็ได้ก็ไม่สบายกายไม่ออกห้กายไ ม, ม่ออไปธำระชาร์ตฉันก็สักแต่ว่าเว้ชนาก็สักแต่ว่าสุกทุกข์ก็สักแต่ว่าไม่ามาเป็นตัวเป็นต น, ตนตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาอัปภาคจากของรล่ของชอบใจเป็นทุกข์ปัตนาชิงใดไม่ได้ชึง น, นั่นก็เป็นทุกข์ เต็นไปหมดทุกความทุกข์ยังเอาคนไม่มีสตินะเป็นธาตุของคทุกข์เป็นธาตุความปวดความโลภความหลงทั้งๆที่มันไม่ดีก็ยังฟ้ากันทุกข์กันปวดกันโลภกันหลงอยู่หลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกสุกเรื่องเก่าสุกแล้วทุกอีก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 สัตแต่ว่าหมดแล้วเวถนากสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสงขารุกแต่ว่าปิญญาสักแต่ว่าว่ามีหลายที่พาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็แล้วก็จืดไปทีแล้วไม่มีค่าไปทีแล้วชีวิตไม่มีค่าเป็นสุขเป็นทุกข์นะชีวิตจริงจริงจะลูกนามเนี่ยมีค่าทําให้เป็นสุขเป็นทุกขนะ์ล่ะ จนรูปเป็นดอกไม้ถนะ้าม่มีสติเห็นนะมีกายวิชาในจนถ้ามีเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่จนนะเนาะมันเป็นธรรมชาติเป็นาการเราเห็นเนาะรูปเห็นนามล้วไม่ค่อยจนแตกฉานได้ถ้ามีแต่กายแต่ใจจนง่ายอะไรก็เป็นตัวเป็นตนร้อนคือกูร้อนหนาวคือกูหนาว เจ็บคือคูเจ็บโกรธก็คือโกรธกูโกรธกู พ, พอใจกูไม่พอใจอ น, นั่นเป็นกายเป็นใจถ้ามาศึกษาดูแล้วเห็นรูปเห็นนามตามก็เป็นจริงอันสุขอันทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอาการที่เกิดกับรูปกุมนามตามธรรมชาติป็นขันรุ่นล่วนเวท น, นาลุน่นล่วน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 บางทีก็ไม่ไปเลยนะเรียกว่าขืนใช้ไปก็ไม่ได้ น, นั่นเรียกว่าเรื่องโยนคนกลายชีวิตเราันนี้ก็เหมือนกันเมื่อยล้าก็ต้องหยุดมีพักผ่อนหลับนอนมีการกินการนอนการพักผ่อนู้จักรโลภยัยนีภัยเป็นธรรมาชาติ เราจึงเห็นธรมธรมชาติสู่ธรรมชาติเห็นรูปเห็นนามเนี่ไม่ค่อยจนนะแต่เห็นกายเห็นใจนี่ยยังจนไม่เห็นรูปเห็นนามแต่ฉานไปรูปมันบอกนามมันบอกความเทศความจริงมันคืออะไรเราก็ได้หลักตั้งแต่นี้ตั้งแต่เห็นกายเสว่ากายเห็นเวทนาสวะเวทนา รันกายนี่เป็นรู ป, เ, ปเวทนาสัญญาสังขารวิยายนี่เป็นนามธรรมไมนมีตัวไม่ตนแต่ไม่มีพไม่ชาติเจ็บได้ทุกได้เวทนาสัญญาสังขารวิยายมันเป็นรูปมันไปนขันหน้ารูปมหาพุทธลูปนามมันก็มีชีวิตที่ไม่ไม่ตายตามรูปดามมันแยกกันแล้วม น่ไปแล้วนี่มันมีรูปมีนามทำดีได้ทำชั่วได้โอ้สนุกดีศึกษาเรื่องชีวตของเราไงจนได้เขียนออกมาเป็นพระไตรปิฎกแปดเมือนสีพันอย่างมีธรรมชาติมีพระสูตรเป็นสูตรมีพระวิ น, นัยก็ปฏิบัติต่อลูกต่อนาม วิญัยความหลงไม่ใช่วิญัยความไม่หลงเป็นวินัยความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมปฏิบัติตามธรรมบัณวิญัยใช่ธรรมไม่วิญัยต่อมันลูบลามเนี่จบไง่ายๆนะขึนเดียวจะจบเนาะถ้าดูดีๆนะมันเนิ่นช้าถ้าหลงเป็นหลงเนิ่นช้า สุขเป็นสุขเนิ่นชา้าผิดเป็นผิดเนิ่นชา้าถ้าเห็นมันผิดผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันสงบ ก, ก็เห็นมันปุ้งซ้านก็เห็นมันอย่างนี้จบง่ายแบบลอดลอแบบวิปัสสนาล้วนลวนสุขาวิปัสสโกผู้เจริญนี้ปัจจารล้วนถ้ไป จะงกอยู่นิ่งไปเห็นเล่นชีเล่นเสียงเล่นแสงมีปัญญาตเตะเท่าอะไรต่างๆอรต่างๆที่รูปไปนอนไปนี่นินชาวังทีก็เสื่อมได้ตายอยู่ในฌานนั่งอยู่แล้รักจิเดไม่ได้เสื่อมไปแล้วก็ฌานสมบัติไม่ใช่อย่างเป้ อุตกาด า, าดาบทรดาาดาบทเนี่เป็นทรูคนแรกของพระพุทธเจ้านครูคนที่หนึ่งได้สมบัติเจ็ดอุตกาดาบทตรครูคนที่สองกดาร า, าดาบทได้สมบัติแปดด้วาเจีงในชานพระศิษยททศไม่พอใจตกเกลื่อนมาฝึกด้วยตนเองเนี่ย มามีสติตุกู้แขนเขา้าเหยียดฉันโดมันต้องอยู่นี่แน่โดดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มีสติเห็นเนี่ยเห็นไม่เป็นเนี่ยเป็นชาญอย่างยิ่งเครื่องเผาเฉลดเป็นเรานอนหับๆให้ไปวไหว มันฉุกเป็นมันฉุกไม่ใช่เป็นผู้ชุกพ้นเจบความฉุกก็เปิดเปิดเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาศินกับจัจจิเลสสมาธิกับจัจจิเลสปัญญากับจัจจิเลสเห็นนี่ยังไม่ละเอียดนียว่าศินศินกับจัจจิเลสอย่างจับจ่วเห็นทุกนี่สินเลยยังไม่ได้กําจัดนะเห็นและ่ะไม่เป็นผู้ทุกสติเข้ามาช่วย ความจติลิดจังกลางพ้นจากความทุกข์เป็นปัญญามาช่วยพุกนคามเจติลิดจังละเอียดหลุดพ้นต้องศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องต้องให้เกิดการหลุดพ้นช่วยกันนะสอยแบบ่างในข้าวเดียวกันเพราะสติเป็นพลังให้เกิดศีลเถิดสมาธิปัญญาแบบนี้เห็นไม่เป็นสักแต่ว่า พุทธเจ้าโฉสาพระชิตตถาใหม่ใม่สัจธว่าใช่ได้ตลอดลอดฝังกงเชิญกงว่าไปเถือือไปเลยสัจธรรมไตเพื่อเถื่อบุกไปเถื่อเถือชนะไปเถื่อเถือดีไม่ทำเถื่อเถือชั่วเออชั่วไม่ทำดีทำไปเถื่อเถือไป ใจไม่ติดไปยึดตาพืชตะพือไปสักแต่ ว, ว่าไปได้ดีไปได้สวยดีนี่ก็เราก็อยู่ในภาวะกรรมฐานตามสมุมิบัญญัติที่เรากำหนดขึ้นมาก็ให้ช่วยกันเราพ่อกรมจันทร์งสินอาจารย์นสนใจาจารย์พระชัชย อาจารย์ตุ้มอาจารย์นนตเพียงของอาจารย์อยู่ที่นี่สามารถที่บอกผิดบอกถูกแก่ผู้ปฏิบัติได้ญายาิมก็มีพอเที่บอกผิดบอกถูกได้ประสบการณ์หมอชนจลีก็เคยได้ยินกับพูดเรื่องอาการต่างๆเกับก ง, งาจะใครไม่ได้บทเรียนบางพอุงควร ช่วยกันอย่ารอให้หลองตาหลวงพ่อเพืองแต่เป็นผู้เดียวมันไม่มันไม่สะดวกทวนี่เวลาไปถามนักปฏิบัติเวลาคนนักปฏิบัติเขาพูดเราไม่ค่อยได้ยินคนเขาปฏิบัติก็ไม่อยากจะพูดแรงเขาอยากพูดเบาๆไปพูดคนหูหลอกวิ้ววิ้ยบปบ้านก็ไม่ค่อยดีเลยไม่อยากจะพูด ช่วยๆกันพวกเราเพื่อคนอื่นว่างมีอะไรก็แบ่งกันกันบ้างเอาไปแบ่งกันกันเล็กๆน้อยๆของฝากเล็กน้อยทําอะไรเอาตัวเองไปเจนที่วัดเราพูดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของเราทั้งหมดถ้านักกรรมาฐานนะไม่เช่นอกขัวเราหมดแล้วเราเห็นแล้วก็ได้คําตอบหมด นักกาฐานเขาพูดที่เกิดจากการจากใจเ่านั้นเราก็เห็นการเกิดที่กาจาจากใจเรานี่มามากสามารถบอกผิดบอกถูกได้ความสงบความผูงสานวิตินิมิตอะไรม่จริงจะไปหลง น, นี่สติสตินะับไปก่อนอะไรอะไรกลับมาได้สึกตัวท่านไม่มีคําพูดก็ไปบอกว่า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 สุขาวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาถดล่วนไปมีสมาธิไมมีอะไรมาข้องแวะขวงกันเสียเวลาแ้่เขานั่งหลับหัวหลับตานั่งนิ่ ง, งก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวบ้างถ้าอยู่นิ่งมันก็เป็นก้อนห็นก็มารู้สึกตัวเนี่ยจริงๆเป็นกรรมฐ า, านบอกกันเหมืนจังกรมสร้างจังบ่เพื่อใหไหว นอกรูปแบบในรูปแบบในทุกโอกาส